กลายเป็นผีหวงเตียงด้วยความที่คุณแม่อ่อนเพรียจึงไม่สนใจและนอนต่อพยายามที่จะหลับแต่แล้วก็เหมือนกับว่าผีตนนั้นจะได้ใจจึงยื่นหน้าเข้ามาวางพาดบนไหล่ของคุณแม่พร้อมกับเสียงลมหายใจและกลิ่นที่เหม็นเนา่าที่โวยมาจากข้างรูหูจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะทุ้มต่ำแหบแ